มีพุทธภาสิตอยู่สองบรรทัดนะซึ่งเราสวดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอบทธรรมวัดสวดมนต์พุทธภาสิตนั้นก็คือความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าพอทำแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ทำความดีนั่นแหละดีกว่าพอทําแล้วนะย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเอาความหมายก็ชัดเจนนะความชั่วทําแล้วนี่มือนก็เดือดร้อนน่าจะไม่มีใครรู้แต่มันก็ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนความดีเนี่ยทำแล้วเนี่ย ยอมไม่เดือดร้อนและที่จริงเนี่ยนอกจากไม่เดือดร้อนแล้วยังทำให้มีความสุขได้งง่ายสุขเพราะว่าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าสุขเพราะเกิดความภาคภูมิใจปิติ อย่างในอย่างเวลาเราสมาทานศีลเนี่ยนะตอนท้ายพันธะก็จะบอกว่าสีเลนสุกติยันติสีเลนภคสัมปัทาสีเลนนิพพติงยันติตัดสมาศีลังวิโสทเย่ผู้ง่ายคือว่าศีลทําให้เกิดสุขศีลทาให้เกิดภครัย พ, พรย์ศีลทําให้เกิดความสงบเย็น นี่ขนาดเป็นการไม่เบียดเบียนนะคือไม่ทำชั่วถ้าว่าทำดีโดยแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งมีอ น, นิสงสนะ์เพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรตั้งใจทำความดีแต่ความตั้งใจทำดีมันก็ไม่พอนะ เมื่อตั้งใจทำดีแล้วต้องรีบทำด้วยอย่ารีรออันนี้สำคัญมากเลยนะหลายคนก็ก็รู้ว่าทำดีอะดีแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำดีแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะรีรอผัดผ่อนในการรีรอผัดผ่อนนี่ อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสที่ได้ทำดีเลยก็ได้นะเดยเพาการทำดีกับคนบางคนเช่นผู้มีพระคุณเนี่ยไอการทำความดีกับผู้มีพระคุณเนี่ยนะคือบุปการีเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามัวรีรอผัดผ่อนสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ แล้วพอไม่ได้ทาแล้วนะมันก็จะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาไม่ใช่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะทำชั่วนะแต่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ทำความดีกับผู้มีพระคุณหรือบุปการีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กนะพ่อแม่เนี่ยก็เสียไปตั้งแต่เขายังเล็กยังน้อย พ่อก็ดูแลลูกชายอย่างใส่ใจแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากข้าวเช้าข้าวเย็นพ่อก็ทำให้ลูกกินแม้กระทั่งเมื่อลูกโตแล้วนะข้าวหมอเชลัยพ่อก็ยังทำข้าวเช้าข้าวเย็นให้ลูกกิน แล้วก็พ่อก็ผูอยู่เสมอนะว่าเนี่ยให้กลับมากินข้าวเย็นกับพ่อนะทุกวันจะกลับสายแค่ไหนดึกอย่างไรพ่อก็จะรอและชายคนนี้ตอนหลังเนี่ยก็เรียนจบแล้วก็ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง ตำแหน่งที่เขาได้รับนี่มันก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยแต่ว่าก็เช่นเดียวกับตำแหน่งที่สําคัญนะคือภาระมันเยอะตอนหลังนี่เขาก็เริ่มจะกลับบ้านดึกไม่กลับเย็นนม่กลับข้ามนะมนกลับดึกเลยพ่อนี่ทํากับข้าวรอก็กลายเป็นว่ารอเกอร์นะเพราะว่า ลูกชายเนี่ยกลับดึกบางทีก็กินอาหารกับลูกค้ากลับมาถึงบ้านนะก็พ่อเข้านอนแล้วแล้วพ่อนี้ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยนะมากินข้าวเย็นกับพ่อเวลาลูกนะไม่กลับบ้านตามเวลานะพ่อจะโทรศัพท์ โทรศัพท์ไปถามลูกว่าจะกลับบ้านเมื่อไรนะมากินข้าวเย็นกันพ่อรออยู่ทีแรกลูกชายก็พูดตอบไปนะว่ายังไม่ว่างนะติดประชุมบ้างเลี้ยงลูกค้าบ้างประชุมกับลูกน้องบ้างให้พ่อกินไปก่อนแต่พอพ่อโทรมาถามลูกหลายครั้ง ก็หลังลูกก็ลำคาญนะแค่เห็นโทรศัพท์แค่เห็นเบอร์ของพ่อนี่ก็โชว์มาเนี่ยก็เอาสึกหงุดหงิดล้นึกในใจวาเนี่พ่อพูดไม่รู้เรื่องบางทีก็พูดเสียงแข็งกับพ่อนนะเพราะว่ากําลังประชุมเครียดไอ้เบอร์ทโทรศัพท์ของพ่อนี่มันเห็นที่หลายก็สึกงุดหงิด เพราะว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกไหวพ่อกินไปก่อนไม่ต้องรอฉะนห้ไม่เท่าไหรนะตอนที่ลูกยังเล็กเนี่ยพ่อก็ชอบพาลูกเนี่ยไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์นบางทีก็พาไปดูดหนัง พอลูกโตขึ้นนะลูกก็บอกพ่อว่าเนี่ยทีหลังเนี่ยลูกจะพาพ่อไปเที่ยวบ้างละนะแต่ก่อนตอนที่ลูกยังเล็กนี่พ่อพาลูกไปเที่ยวแต่ตอนนี้ลูกโตแล้วมีงานทำแล้วก็จะเป็นฝ่ายพาพ่อไปเที่ยวแต่จนแรกจนรอดก็ไม่เคย มีเวลาว่างพาพ่อไปเที่ยวสักทีก็ขนาดกินข้าวเย็นกับพ่อยังไม่มีเวลาเลยนะแล้วจะมีเวลาพาพ่อไปเที่ยวเสาทิศได้ไงเพราะเสาทิศก็มีงานพ่อก็รอแล้วรออีกบางทีก็ถามทวงลูกนะี่ลูกบอกไม่มีเวลาแล้วก็ว่าขอผักผ่อนไปก่อนปีใหม่ จะพาพ่อไปเที่ยวหยุดหลายวันสุดท้ายก็ไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวนะเพราะว่างานการมรัดตัวก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีนะจนกรทั่งวันหนึ่งเนี่ยพ่อป่วยหนะักแล้วพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ออกใหม่กันเลย โอ้ลูนเสียใจมากเลยนะมันนึกถึงว่าเนี่ยเคยรับปากพ่อว่าจะพาพ่อไปเที่ยวเหมือนกับที่เป็นการทดแทนตอบแทนบุญคุณพ่อนะที่พาลูกไปเที่ยวอยู่เสมอตัวเองก็รับปากว่าจะพาพ่อไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแต่จะว่าแต่ต่างจังหวัดเลยนะแม้กระทั่งพาไปกินอาหารพัตคาร ที่ดีๆก็ยังไม่มีเวลาว่างาพาไปมันเลืนได้ก็สายไปแล้วก่วเสียใจมากเลยนะรู้สึกผิดมากแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำงานเห็นเบอร์โทรสั์พ่อโชว์ก็หงุดหงิดแต่ตอนนี้โหยหานะอยากเห็นเบอร์โทรของพ่อ แต่มันก็ไม่มีอีกแลลวแต่เนี่นยมันจะไม่เสียใจเท่ากับว่าเนี่ยไม่ได้พอไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวเลยนะมันไม่ใช่แค่ปีสองปีมันหลายปีทีเดียวก็วเสียใจก็เป็นความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจมากแล้วเขาก็เลยรู้เลยว่าเนี่ย บทเรียนก็นคือว่าในการทำความดีเนี่ยโดยพ่อกับพ่อนี่ไม่ควรรีรอไม่ควรผัดผ่นจริงเขาก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งนะแต่ก็ผัดผ่ไปอยู่เรื่อยสุดท้ายก็หมดโอกาสเป็นบทเรียนสำคัญมาก ก็มีคนจะไม่น้อยเนี่ยนะที่ทุกใจมากนะเพราะว่าการรีรอหรือการผัดพร น, นี่แหละบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าหมกมุ่นกับงานให้ความสาคัญกับงานมากกว่าแล้วคิดว่าเอาไว้วันหลังก็แล้วกันปีใหม่สงกรานต์แต่ถึงเวลาก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อย สุดท้ายก็หมดโอกาสทั้งที่โอกาสก็มีมาตลอดแต่บางครั้งโอกาสมก็ ม, ไมีไม่บ่อยนะอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็สนิท ก, กับพ่อมากนะตอนเด็กๆนะแต่พอตัวเองเป็นวัยรุ่นนะก็เริ่มมีปัญหาระหองระแหงกับพ่อตามภาษาวัยรุ่นนะกับพ่อแม่เนี่ย ความคิดไม่ตรงกันล้วตัวหลังก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งลูกนี่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับพ่อเท่าไหร่มีคราวหนึ่งก็ไปเข้าคอร์สนะของบริษัทนะเขาก็ให้พนักงานมาเข้าคอร์สเพื่อมาทบทวนเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตวิทยากรก็ ชวนให้ทุกคนเนี่ยเอาเคสที่ตัวเองเนี่ยมีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นพ่อแม่ก็ได้เอามาไต่ตรองเสร็จแล้ววิทยากรบอกว่าในลองนึกถึงความดีของเขา ว่าเขาเคยทำความดีอะไรให้กับเราบ้างอีกคนนั้นเนี่ยก็เมื่อมาทบทวนจในบรรยากาศที่มันชวนให้ไต่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยก็ได้พบว่าพ่อนี่ดีกับตัวเองมากนะแต่ก่อนเนี่ยตอนตัวเองอยังเล็กๆเนี่ยพ่อก็พา ซอนขิดซ้อนจั ก, กรยานไปเที่ยวที่โนนที่นี่นะเพราะเป็นเป็นชนบทนะพอซ้อนจั ก, กรยานพาอเตียงซ้อนจั ก, กรยานแล้วพ่อก็พาไปเที่ยวบางทีก็อุ้มลูกด้วยความทนทนหนอมไอ้พาพวกนี้มัค่อยย้อนกลับมาแล้เธอก็เริ่มเห็นความรักของพ่อที่มีต่อเธอในวัยเด็กเนี่ยมันเรียงเป็นฉากเป็นฉากเลยนะ เธอก็ซึมเลยนะคราวนี้วิธาการก็ให้ทุกคนทำต่อไปว่าเนี่ยลองเขียนจดหมา ย, ยถึงคนที่ตัวเองเนี่ยมีข้อขัดแยง้งมีอะไรที่อยากจะขอโทษมีอะไรที่อยากจะบอกขอบคุณเขาบ้างเขียนเป็นจดหมายเลยเธอทาจดหมายเขียนจดหมายถึงพ่อขอบคุณที่พ่อมีความเมตตากรุณามีความรัก มีความห่วงใยแล้วก็ขอโทษพ่อนะที่เคยว่ากล่าวพ่อเคยทะเลาะพ่อเคยเสียแข็งกับพ่อจนบางครั้งที่ด่าทอพ่ อ, ขอเขียนไปเธอก็ร้องไหนะ้นาะพอเขียนจบพอทุกคนเขียนจบวิทยากรก็บอกว่าเอาละตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ย โทรศัพท์ไปถึงคนที่ว่านี่เลยบอกเขาอย่างที่เขียนในเขียนเป็นจดหมายเนี่ยจะอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังก็ได้ทางโทรศัพท์ทุกคนนี่ตะลึงเลยนะเพราะว่ามันทำยากนะแต่หลายคนก็ทำนะแต่พี่คนนี้แกไม่ยอมแกก็ใบเบียงว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ก็ ปิดคอสแล้วปิดคอสเสร็จเดี๋ยวจะโทรไปหาพ่อเองหรือไม่ก็ไปหาเลยจะไปพูดอย่างที่เขียนนี่แหละบอกกว่าพอปิดคอรสไอ้ที่คิดไปจะทําไม่ได้ทําแล้วพอพ่อเสียชื่อตซะก่อนเสียชื่อตวันรุ่งขึ้นเลยนะวันที่จะปิดคอสเนี่ย โอ้เอโกรธตัวเองมากแล้วรู้สึกเสียใจมากพราะลึกๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าเธอไม่กล้าเธอรู้สึกขุ่ยเขินในการที่จะพูดขอโทษพ่อแล้วพูดขอบคุณพ่อ<น>คือคนเราเวลาเวลามันมีช่วงเวลาแบบนี้มันมักจะมีข้ออ้างนะข้ออ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกกระดาษความรู้สึกไม่กล้า ความรู้สึกเหมือนกับเสียหน้านี่ก็เลยหาทางรีรอหรือผัดผ่อ้างโนนอ้างนี้อ้างหายปิดคอสก่อนโอกาสมีนะถ้าคืนนั้นเธอโทรไปหาพ่อก็คงจะเหมือนกับยกภูเขาจากอ ก, อกนะแต่ว่าเธอทิ้งโอกาสนั้นไปเพราะว่ารีรอหรือผัดผ่เนี่ยก็กลายเป็นว่าภูเขาแทนที่จะ หลุดจากอกนะกล่าวว่าปรากมีผู้ขอขกลูกหนึ่งซ้ำเข้าไปอีกคือความรู้สึกผิดเป็นบทเรียนที่ ท, ที่แรงมากนะว่าคนเราเวลาวลาจะทำดีโดยเฉพาะกับผู้หญิงว่าคุณเนี่ยอย่ารอนะถ้ามีโอกาสรีบทำเลย มีคนหนึ่งนะแกก็ชอบมีปากเสียงกับแม่ะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำตามวิสัยลูกสาวกับแม่แล้วต่อหลังก็รู้สึกผิดขึ้นมาอยากจะขอขามาแม่ แต่ก็ไม่กล้าก็ผัดผ่อนอยู่เลยก็เลยตัดสินใจว่าถึงวันแม่นี่แหละฉันจะขอเข้ามาแม่ไอ้ตอนนั้นวันแม่ยังอยู่ีกหลายเดือนแต่พอวันแม่ใกล้เข้ามาเธอก็เริ่มเริ่มรีรอเริ่มลังเล แล้วก็พอวันแม่มาถึงเธอก็เปลี่ยนใจนก็แค่ไปเยี่ยมแม่นะแต่ว่าไม่ได้ขอขอมาอย่างที่ตั้งใจไว้วันแม่ผ่านไปเธอก็ไม่ได้ทำที่ตั้งใจและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าแม่ก็เกิดนีาเป็นไปซะก่อนหลังจากวันแม่ไม่กี่วันโอเธอเสียใจมากนะ เพราะว่าถ้าเธอทำตั้งแต่วันแม่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรติดข้างใจมีพี่อีกคนนึงนะไปทำงานต่างจังหวัดสงกรานก็กลับมาเยี่ยมแม่ตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่กับใกล้ช่กับแม่มากนะแต่พอมีงานทำล้ะ ที่จริงเลียงแต่ตั้งแต่เรียนมาวิชาไรแล้วก็พอได้งานทําก็อยู่กรุงเทพสงการวันหยุดปีใหม่ยังค่อยมาเยี่ยมแม่แต่ปีนั้นก็ช่วงสงการก็มาเยี่ยมแม่อยู่หลายวันนะก็มีเย็นหนึ่งเนี่ยที่จริงก็คําแล้วล่ะแม่เกิดหิวข้าว แล้วก็แม่บอกลูกว่าเนี่ยแม่ชอบกินผัดเผ็ดปลาช่อนช่วยไปซื้อให้หน่อยนะจะไปซื้อตองไปที่ตลาดนะหรือแม่ก็ไปซื้อที่ร้านนะแต่วันนั้นเธอก็เหมือนกับเหนื่อยนะจริงๆมก็จะไม่ดึกนะทุ่มทุ่มหนึ่งได้ไม่อยากไปบอกแม่ว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะ ผูนี้อยซื้อให้แม่ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ซื้อให้แม่นะเพราะว่าคืนนั้นแม่ก็หัวใจวายตายโอ้เสียใจเหมือนกันนะรู้สึกผิดมากนะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยไปซื้อปลาช่อนผัดเผ็ดให้แม่เนี่ยน่าจะมีความเศร้าที่แม่จากไปแต่ว่าคงจะไม่มีความรู้สึกผิดนะว่า เราได้ละเลยโอกาสทองที่จะทำสิ่งดีๆให้กับแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้ขออะไรเท่าไหร่เรื่องความดีเนี่ยนะดีเฉากับบุปการีเนี่ยแม่จะรู้ว่าดีแต่แค่นั้นไม่พอนะ มันต้องรีบทำอย่ารีรอจะผัดผ่อนเพราะว่าอุปการีเนี่ยเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ใช่ระบบบุปการีอย่างเดียวนะคนอื่นด้วยอาจจะเป็นผู้มีว่าคุณเป็นยายเป็นป้ า, าเนี่ยเราคิดว่ามีเวลาแต่เอาข้างจริงเวลาอาจจะใกล้จะหมดแล้วก็ได้ เพราะว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้อย่างที่ภาษิต ท, ที่เบดบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างภูมนที่กับชาติน่ะอะไรจะมาก่อนอยกว่าแต่ความดีที่พึงกระทําต่อผู้ประกอการหรือผู้มีพระคุณเลยวไอ้ความดีอะไรอย่างที่เราอยากจะทําให้กับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ควรลีรอนนะบางคนเนี่ยอยากจะบวช แล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยอ้างโนนอ้างนี่อ้างงานการบางทีก็อ้างพ่ออ้างแม่ว่าเนี่ยพ่อแม่ยังไม่ยังอยากจะให้เรามาอยู่ดูแลแต่สุดท้ายไม่ได้บวชแล้วนะตายซะก่อนโดนรถชนตายบางทีก็ อาจจะไม่ถึงกับตายแบบปุบ ป, ปับนะมีเวลาหลายปีทีเดียวแต่ก็รีรอมาได้คิดเนี่ยก็ตอนที่มันไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วอย่างผู้ชายคนนึงนมีเมียพอ เมียขอลูกเป็นลูกชายยังแค่ไม่กี่เดือนนั่นแหละแกก็ทิ้งเมียและลูกนี้ไปเพราะว่าไปได้ผู้หญิงคนใหม่แล้วผ่านไป30ปีนี่ก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมครอบครัวเก่าเลย แล้ววันหนึ่งเนพอตัวเองนี่เป็นมะเร็งนะแล้วมเร็งก็ลูกลามมันเร็วมากจนกระทั่งต้องนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่เข้าสูร่ระยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งเดียวที่แกขอนะคืออยากเห็นหน้าลูกชายลูกชายคนที่ แกทิ้งไปเนี่ยและไม่เคยอันไปเยี่ยมเลยไม่เคยกลับไปเยี่ยมเลย30สปีนี่ก็น่าคินนะพอใกล้าตายทำไมถึงอยากจะเห็นหน้ารูปชายที่ตัวเเนี่ยไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมเยียนเลยก็คงรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่ว่าเรา ไม่สนใจใ่ดีลูกเลยแม่พยาบาลนี่ก็ดีนะไปตามหาลูกชายของลุงคนนั้นจนเจอไนอะ้ลูกชายก็ดีนะเมื่อรู้ว่าพ่ออยากจะพบเนี่ยก็ยินดีนะไปหาทั้งๆที่ในใจก็อาจจะมีความน้อยใจมีความโกรธที่พ่อนี่ไม่มา เหลียวแลเลยตลอดสาสิบปีอันนี้ก็น่าคิดนะทำไมเนี่ยคนไข้เนี่ยถึงอยากจะเห็นหน้าลูกชายที่จริงเนี่ยคงมีความอยากจะไปเจอลูกชายเนี่ยนานแล้วล่ะแต่ก็ผัดพรอนไปเรื่อยอ่างโน่นอ่างนี่ แต่พอจะตายเนี่ยนะมันไปเยี่ยมไม่ได้แล้วร่างกายม่อ น, นี้ให้ไปเยี่ยมแล้วมีทางเดียวคือต้องให้ลูกชายมาหาแทน น, นลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าลูกชายเนี่ยเกิดโกรธและเกลียดพ่อเนี่ยไม่ยอมมาพบหน้าพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อนี่จะรู้สึกอย่างไรนะคงจะรู้สึกแย่มาก ความรู้สึกผิดแ ล, แล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่ได้รับการเยียวยาแต่ลูกชายนี่ก็ดีนะเขายังยอมที่จะมาเจอหน้าพ่อคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคนที่ชอบรีรอ รู้ว่าควรจะไปเยี่ยมไปเหลียวแลลูกชายแต่ก็ผัดผ่อนมาเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายพอป่วยหนักก็ทำไม่ได้แล้วได้แต่ร้องขอให้คณเห็นช่วยมีคนจะนวนไม่น้อยเลยนะที่เมื่อถึงวารสุดท้ายใกล้าตายเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำความดีอันนี้เพราะอะไรนะ ไม่ใช่พ่อเพิ่งมาได้คิดนะคิดมานานแล้วแต่ว่าผัดผร อ, อยู่เรื่อยผัดผ่อผัดผ่ไปจนกทั่งสังขารนี่มันมันไม่อำนวยแล้วแล้วนี่ก็คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นคนจำนวนไม่น้อยนะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทาแต่ว่าลีรอผัดพ่ออยู่เรื่อยไม่ว่า กับปู่การีกับพ่อแม่จนเขาด่วนจากไปซะก่อนหรือไม่ก็กับคนอื่นจนกระทั่งตัวเองเนี่ยมีอันเป็นไปซะเองไม่มีโอกาสได้ทำซึ่งจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเิดว่ามันหวนคิดนะโอ้เราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำานีเช่นขอขอมาพ่อแม่จะรู้สึกผิดติดค้างใจจนกระทั่ง หมดลมอย่างนี้คงจะไปไม่ดีนะนั้นความดีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าไม่พอนะต้องรีบทำด้วยพราะถ้าเราแต่รีรอพัดน์ผ่อนอาจจะไม่มีกว่าได้ทำเลยก็ได้